ข้อที่สองภิกษุเจริญสมถะอันมีวิปัสสนานำหน้าเมื่อเธอเจริญสมถะอันมีวิปัสสนานำหน้าอยู่มักเกิดขึ้นเธอเสพคุ้นเจริญทำให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อเธอเสพคุ้นเจริญทำให้มากซึ่งมักนั้นสังโยชน์ทั้งหลายย่อมถูกละได้อนุสัยทั้งหลายย่อมสิ้นไปนั่นก็คือสมถะมีวิปัสสนานำหน้า คำพีปฏิสัมพิทามักอธิบายความหมายว่าเบื้องแรกวิปัสนาใช้ปัญญาพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆ ต, ตามสภาวะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาครั้นแล้วจิตเกิดความปล่อยวางทำทั้งหลายอันปรากฏในวิปัสสนานั้นและยึดเอาภาวะปล่อยวางนั้นเองเป็นอารมณ์จิตจึงมีภาวะอารมณ์หนึ่งเดียวปราศจากความซัดสายมีสมาธิ อย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนามาก่อนสมถะมาหลังคือเป็นวิปัสนาปุพพังขมะสมถะขยายความตามอัตถกถาว่าผู้ปฏิบัติยังไม่ได้ทำสมถะให้เกิดขึ้นเลยแต่มาพิจารณาเห็นแจ้งอุปาทานขันห้าตามสามัญลักษณะที่เป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นอันนับว่าเป็นวิปัสนาพอวิปัสนาเต็มเปี่ยมดีจิตก็เกิดภาวะมีอารมณ์หนึ่งเดียว เท่ากับเป็นสมาธิขึ้นโดยมีความปล่อยวางทำทั้งหลายที่เกิดขึ้นในวิปัสสนานั่นเองเป็นอารมณ์อันนับว่าเป็นสมถะเมื่อปฏิบัติโดยวิธีนี้อริยมรรคก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันในบาลีปฐมสมาธิสูตรทุติยสมาธิสูตรและตตตยสมาธิสูตรอังคุตรานิกายจตุ ก, กนิบาศกล่าวถึงทั้งผู้ได้สมถะอย่างไม่ได้วิปัสสนา และผู้ได้วิปัสสนายัางไม่ได้สมถะในบาลีนั้นเรียกเจโตสมถะและอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาซึ่งอัตถคถาอธิบายว่าได้แก่อันปนาสมาธิและวิปัสสนาที่กำหนดพิจารณาสังขารตามลาดับบาลีแห่งนี้ทำให้ได้ข้อสังเกตด้วยว่าแม้จะได้วิปัสสนาแล้วแต่สมถะก็อาจยังไม่เกิดตามมา หรือพูดตามอัตกถาว่าแม้จะได้วิปัสสนาแล้วแต่สมถะก็อาจยังไม่สูงถึงขั้นน่าพอใจคื อ, อยังไม่ได้ถึงฌานท่านจึงแนะนําให้ฝึกสมถะเพิ่มเติมอีกตั้งหากและเมื่ออ่านมารีนั้นโดยตลอดก็ทําให้เห็นว่าท่านสนับสนุนให้บําเพ็ญทั้งสมถะได้วิปัสสนาได้พร้อมก่อนแล้วจึงควรทําความเพียรเพื่อกําจัดอาสวะในขั้นสุดท้ายต่อไป ต่อภิธรรมอธิบายสูงมากโดยกล่าวว่าเจโตสมัธะได้แก่รูปและอรูปสมาบัติอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาได้แก่มรรคผลพระอัฏฐกถาจึงสรุปว่าผู้ได้เจโตสมถะที่ไม่ได้อธิปัญญาธรรมวิปัสสนาได้แก่ปุตชนผู้ได้สมาบัติแปผู้ได้แต่อธิปัญญาธรรมวิปัสสนาได้แก่อริยสาวก ที่เป็นสุขวิปัสสกะผู้ได้ทั้งสองอย่างได้แก่อริยสาวกผู้ได้สมาบัตแปดผู้ไม่ได้ทั้งสองอย่างได้แก่โลกิยะปุตุชนอย่างไรก็ตามอัตถกถาสรุปว่าไม่ว่าจะเจริญวิปัสนาโดยมีสมถะนำหน้าหรือเจริญสมถะโดยมีวิปัสนานำหน้าก็ตามเมื่อถึงขณะที่อริยมรรคเกิดขึ้นทั้งสมถะและวิปัสนา จะต้องเกิดขึ้นด้วยกันอย่างควบคู่เป็นการแน่นอนเสมอไปที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าโดยหลักพื้นฐานแล้วสมถะและวิปัสสนาก็คือองค์ของมรรคนั่นเองวิปัสสนาได้แก่สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะสมถะได้แก่องค์มรรคที่เหลืออีกหกข้อซึ่งเป็นธรรมดาอยู่แล้วที่องค์มรรคเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นพร้อมกันในขณะบรรลุอริยภูมิพูดอีกจำนวนหนึ่งว่า องมรกเกิดขึ้นพร้อมกันในขณะแห่งมัรขยานความจริงไม่เฉพาะองค์มรทั้งแปดเท่านั้นโพธิปัจกยธรรมทั้งสามสย่อมเกิดขึ้นพร้อมกันหมดในจิตเดียวกันในขณะแห่งมัรขยานพึงสังเกตว่าการกําหนดว่าองค์มรหรือข้อธรรมต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันหรือในจิตเดียวกันอย่างนี้เป็นการวิเคราะห์ตามแนวอภิธรรมซึ่งมีหลักอยู่ว่า ทำทั้ง37นี้เป็นเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นได้ในจิตดวงเดียวกันอีกประการหนึ่งจำนวนองค์มรักและทาอื่นๆที่เกิดร่วมกันในขณะแห่งมรขยานอาจลดน้อยลงไปบ้างโดยสัมพันธ์กับฌานที่ประกอบกับมรักนั้น